คุณสมบัติของผู้บรรลุนิพพานไม่ว่าจะพูดพรานาในลักษณะใดตลอดจนที่จัดเป็นภาวิตะสีดังที่อธิบายมานั้นรวมแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานของธรรมสามประการมีธรรมสามอย่างนั้นเป็นหลักเป็นแกนคือปัญญาที่เรียกจำเพาะว่าวิชาความหลุดพ้นเป็นอิสระที่เรียกว่าวิมุตและกุณา ที่เป็นพลังแผ่ปรีชายานออกไปทำให้ผู้อื่นพลอยได้วิชาและถึงวิมุตด้วยถ้าเปรียบปุุชนเหมือนคนถูกมัดวิชาก็เป็นมีดตัดเครื่องผูกขาดออกไปวิมุติก็คือการหลุดพ้นออกไปจากเครื่องผูกมัดเป็นอิสระเสรีการุณาก็แสดงออกมาว่าเมื่อหายเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองแล้ว มองกว้างออกไปเห็นคนอื่นๆถูกมัดอยู่ตัวเองไม่มีอะไรต้องวุ่นผวองอีกแล้วก็เอาแต่เที่ยวแก้มัดคนอื่นต่อไปในทางหลักวิชาถือว่าวิชาเป็นมักส่วนวิมุตต์เรียกเข้าร่าว่าเป็นผลแต่ตามตำราท่านแยกวิมุตต์ละเอียดออกไปเป็นสองตอนคือเป็นทั้งมักและทั้งผลกิริยาที่หลุด หรือพน้นออกไปหรือขณะที่หลุดพน้นท่านว่าเป็นมักภาวะที่เมื่อหลุดพน้นออกไปแล้วมีความเป็นอิสระเสรีอยู่เป็นปกติเรียกว่าเป็นผลนลำพังการบรรลุนิพพานย่อมเสร็จสิ้นเพียงแค่วิ ช, ชาและวิมุตส่วนกรุณาเป็นเรื่องของการทำเพื่อผู้อื่นต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องส่วนตัวหรืออตัตตะะ สำเร็จที่วิชาและวิมุตต์ส่วนเรื่องที่จะทำเพื่อคนอื่นหรือปราร t เป็นกิจของกรุณารับช่วงต่อไปอันหนึ่งเพึงสังเกตว่าในบรรดาองค์ธรรมทั้งสามคือวิชาวิมุตต์และกรุนานั้นวิมุตต์เป็นภาวะฝ่ายผลพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นภาวะเสร็จงานและเป็นภาวะเอื้ออำนวยแก่การทางานต่อไป ไม่ใช่เป็นตัวการทำงานเองส่วนปัญญากับกรุณาเป็นองคร์รมฝ่ายทำงานปัญญาเป็นตัวทำงานให้การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นเรื่องของตนเองสำเร็จกรุณาเป็นตัวทำงานให้เรื่องของคนอื่นสำเร็จด้วยเหตุนี้ท่านจึงถือว่าปัญญากับกรุณาเป็นพระคุณหลักของพระพุทธเจ้าปัญญาเป็นแกนนำของอัต ถ, ถ หรืออัตตหิตะสมบัติกรุณาเป็นแกนนําของปรรธาหรือปรหิตะปฏิบัติในคัมภีร์มากหลายจึงนิยมย่อพุทธคุณลงเป็นข้อหลักสองอย่างคืออัตตหิตะสมบัติมีปัญญาเป็นตัวทําการและปรหิตะปฏิบัติมีกรุณาเป็นตัวทําการแต่อัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติทั้งสองอย่างนั้น มีความหมายและเป็นของแท้จริงได้ก็เพราะมีวิมุติยืนยันเป็นพยานวิมุตินั้นเป็นเครื่องส่องแสดงถึงการเข้าถึงนิพพานแล้วเรียกว่าเป็นอาการสำแดงหรือลักษณะสำคัญด้านหนึ่งของนิพพานจัดเป็นวัยพจน์ข้อหลักของนิพพานดังที่กล่าวแล้ววิมุติแสดงความหมายสำคัญของนิพพานซึ่งเน้นในด้านความหลุดพ้นเป็นอิสระเสรี เมื่อโยงกับคุณสมบัติสำคัญสองประการที่เนื่องด้วยการถึงวิมุตต์หรือบรรลุนิพพานนั้นคือปัญญาและกรุณาก็เรียกบุคคลผู้บรรลุนิพพานนั้นด้วยคําไทยที่ชาวบ้านพอจะเข้าใจไม่ยากว่าเป็นอิสระเสรีชนผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาและทําการด้วยกรุณานอกจากวิมุตต์ที่ยืนเป็นหลักแล้วยังมีไวโพ์แสดงลักษณะด้านต่างๆของนิพพานอีกมากมาย ดังยกมาให้ดูแล้วข้างต้นบรรดาไวยพ์เหล่านั้นมีอยู่อย่างน้อยสองคำที่ใช้เป็นคำสามัญในภาษาไทยและเป็นลักษณะที่สำคัญด้วยคือวิสุท ธ, ธิและสันติวิสุท ธ, ธิคือความบริสุทธิ์หรือสะอาดหมายถึงภาวะปราศจากกิเลสที่จะทำให้สกปรกเศร้าหมองหรือขุ่นมัวจึงใสและมองเห็นอะไรอะไรชัดเจน สันติคือความสงบหมายถึงภาวะที่หายวุ่นหายพลุ่งพล่านโกรนกระวายปราศจากความทุรนทุรายเร้าร้อนแห่งกิเลสหมดสิ่งที่จะกวนให้ไหวกระเพื่อมจึงเรียบซึง้งสงบเย็นทุกอย่างเข้าที่เป็นสภาวะของตัวเองสามารถเสวยผลต่างๆได้บริบูรณ์ที่สุดและมีความพร้อมมากที่สุด ที่จะทำการทั้งหลายอย่างถูกต้องสมบูรณ์จากไวโพ์เหล่านี้จึงวางหัวข้อบทไว้ว่าวิชาวิมุตวิสุทธิสันตินิพพานถ้าจะแปล ง, ง่งายง่ายคงได้ความว่าสว่างอิสระสะอาดสงบหรือนิพพานใครพอใจไวโพ์อื่นใดจะเติมต่อเข้ามาอีกก็ได้เช่นว่าวิชาวิมุต กเกษมวิสุทธิสันติปรมัติบรมสัจจะนิพพานเป็นตน้นก็อยู่ในขอบเขตความหมายของนิพพานอยู่นั่นเองจบบทที่ห